การปฏิบัติที่มันจะได้ผลก็ความต่อเนื่องนะถ้าเราขาดความต่อเนื่องนี้มันจะได้ผลช้าเหมือนต้นไม้ถ้าเราปลูกแล้วถ้าเราย้ายบ่อยๆต้นไม้ก็ตายไม่โตแต่ว่าต้นไม้ตัวไหนที่มันได้รับปุ๋ยรับน้ำต่อเนื่องมันก็โตไวนะความต่อเนื่องของ การปฏิบัติมันเป็นกระบวนการตามธรรมชาติความต่อเนื่องทางฝ่ายรูกประธรรมที่เราเห็นอย่างเชื่ยวแนเราต้มข้าวเนี่ยเนื้อข้าวของข้าวมันไฟก็ต้องติดต่อเนื่องไปจนมันสุกถ้าเกิดไฟดับช่วงใดช่วงหนึ่งการหองข้าวต้มแกงก็ไม่สุกแล้วก็เหมือนการ เลื่อไม้ถ้าเราเลื่อยไปเลื่อยมาเราหยุกเสื้อไม้ก็ไม่ขาดหนะรือเมื่อการปลูกต้นไม้ถ้าปลูกแล้วเราไม่ได้เอาใจใส่ต่อเนื่องต้นไม้ก็เหี่ยวเฉาตายนี่คือความต่อเนื่องที่เราเห็นเป็นรูปธรรมนะแม้กระทั่งลมหายใจถ้ามันไม่ต่อเนื่องเราก็ตายนะการเดินเลือดเดินลมในร่างกายของเราถ้ามันขาดความต่อเนื่องเราก็อยู่ไม่ได้ ในส่วนที่เป็นรูปธรรม ท, ที่มองเห็นในส่วนของนามธรรมเหมือนกันความต่อเนื่องของกระแสธรรม ท, ที่หากว่ากระแสของสติสมาธิปัญญาที่ที่เราป้อนเข้าไปเนี่ยถ้าขาดความต่อเนื่องใจของเราก็ไม่อยูนะ่ใจของเราก็ตายไปจากปัจจุบันใจของเราจะเจริญเติบโตได้ก็ อ, อาศัยตัวสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นตัวหล่อ เ, เลี้ยงตลอดเวลา ดัง ต, ตัวต่อเนื่องจึเป็นตัวสําคัญดังนั้นเองในสติปัฏฐานสูตรที่พุทธเจ้าท่านจัดรับรองเอาไว้ว่าคนใดก็ตามที่เจริญส 4, 8, ติปัฏฐานสี่ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ไม่ใช่ต่อเนื่องปเป็นเหล็กเส้นนะถ้าต่อเนื่องปเป็นเหล็กเส้นนี่จะลําบากมันกระด้างแล้วก็แข็งทื่อ แต่ต่อเนื่องพวลูกโซ่เนี่เป็นข้อของข่ายของมันมันจะยืดหยุ่น flexible ในตัวของมันหรือเราเห็นโซ่จักรยา น, นมันต่อนึงถ้าโซ่ข้อใดข้อหนึ่งขาดเนี่ยจักรยานก็ไปไม่ได้ใช่หมหรือโซ่หลุนี่จักรยานก็ไปไม่ได้ในสติสัญญาที่คล้องระหว่างสมมุติว่ารูปเป็นล้อหน้านามเป็นล้อหลังโซ่คือสติสัญญาเนี่ย เป็นตัวคล้องอยู่ถ้าตับได้โซ่นี่ไม่หลุดโซ่นีไม่ขาดการหมุนของรูปของนามของกายของใจมันก็จะไปข้างหน้าเรื่อยๆเหมือนจักรยานตัวคนที่ถีบก็เหมือนจิตขาที่เหยียบมันก็เหมือนสเอ่อริยะความเพียร น, นี่มองให้เห็นผู้ได้เห็นความเป็นรูปธรรมของความต่อเนื่องจิตใจของเราเหมือนกันการที่มันจะ เดินทางไปสู่ดวมรรคผลนิพพานเนี่ยมันก็อาศัยการเดินทางอย่างต่อเนื่องเหมือนกันไปตลอดที่ปัญหาได้ว่าความต่อเนื่องนี้ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจทำเนี่ยมันก็จะนําไปสู่ความเบื่อหน่ายความขี้เกียจความอึดัดความทุกข์ความไม่สนุกนะเพราะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราทําอะไรแบบเล่นๆ ทำบ้างเล่นบ้างหยุดบ้างไปอันนี้ในแง่ของการดำาริชีวิตจะมีการผ่อนคลายมีการเพลิดเพลินไปในตัวการดำาริชีวิตก็จะก้าวหน้าแต่ถ้าหากว่าทางด้านจิตใจเหมือนกันถ้าเราปฏิบัติไปเราทำด้วยความผ่อนคลาย ต, ต่อเนื่งงลลองแบบผ่อนคลายต่อเนื่องแบบเข้าใจเนี่ยมันก็จะไปได้ก้าวหน้าได้เหมือนกัน ดังนั้นเองมาถึงกล่าวว่าในช่วงที่เราปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องมองหาจุดที่มันเป็นบวกไว้เสมอเช่นจุดบวกก็คือจุดถึงความชัดเจนของการเคลื่อนไหวความเห็นอาการที่มันทุกขหรือไม่ทุกขก็มีอยู่เห็นอาการที่สบายไม่สบายก็มีอยู่ไหนนั้นถ้าเรามองเห็นจุดบวกจุดลบในตัวของมันแล้วเราก็เลือกถูก การที่เราจะเลือกถูกนั่นหมายความเราจะมีแสงสว่างของสติสัมชัญญะคอยฉายอยู่ตลอดนะเหมือนรถวิ่งกลางคืนเนี่ยถ้าสมมติว่าไฟที่นํารถเนี่ยไฟหน้ารถเนี่ยมันดับดับติดๆเนี่ยรถจะวิ่งสะดวกไหมวิ่งไปหน่อยก็ดับวิ่งไปหน่อยก็ติดเนี่ยเราไม่กล้าวิ่งไงใช่ไหมถ้าเกิดไปเจอแล้วข้างหน้าแล้วก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกันนะ่ะ แสงสว่างของสติเป็นตาสองตาของเหมือนตาลอดสองดวงดวงซ้ายดวงขวานและในช่วงที่เราปฏิบัตินั้นหมายความว่าแสงสว่ญญางแห่งสัญญาต้องต้องส่องอยู่เสมอมันถึงการก้าวการปฏิบัติก้าวหน้าไปถ้าสติสัญญะติดติดับดับไปไงบอกว่าวันนี้ไม่ได้อารมณ์ไเพราะมันไม่ไปไหนไหนแหละเพราะอะไรเพราะแสงสว่างของสติสัญญะมันไม่สว่ญญางพอเราก็ไม่กล้าที่จะวิ่งรถของเรา นะถึงวิ่งไปแล้วก็ไม่ปลอดภัยอย่างนี้วิ่งแล้วไปชนง่วงบ้างจนตอนนี้พ่อใหญ่ดิศักดิ์วิ่งไปชนง่วงนะหมายความว่ายิงวิ่งไปชนคิขี้โครนขี้ตุ่มอ่ะมันไปไม่ได้เลหยุดนะหยุดอยู่กับที่ขอพระโพอเอียงเลยว่างื่นเดอดนั่นหมายความวแสงสว่างของสติสมัมยาขาดหายล้รถก็ไปไม่ได้การปฏิบัติก็ไปไม่ได้ดั้นเราจะเห็นว่าในส่วนที่เป็นการปฏิบัติที่เป็นลูกปธรรมต้องอาศัยกําลังของสติสมัมยา ถ้าสติสัมยาอ่อนไปไม่ได้เลยนะเพราะสติสัมยาเหมือนแสงสว่างจิตนี่มันคือคนขับรถเหมือนก็เหมือน ก, นก็กายรูปนามของเรานี่แหละดังนะนั้นในการที่เราจะปฏิบัติเพื่อให้ก้าวหน้า น, นั้นเราจําเป็นเจ้าตรวจสอบสติตสัมญาของเราให้แน่นอนว่าเรามีสติสัมยะเข้มแข็งแค่ไหนแต่ที่สําคัญคือในวิธีการหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านไม่เน้นการหลับตา เราก็ไม่เนิ่งการนั่งเฉยๆน้นการเคลื่อนไหวกำหนดรู้อยู่ถ้านั่งเฉยๆไป แ, แล้วมันก็จะง่วงนั่งเฉยๆมาแล้มันก็จะเบื่อเพราะอะไรเพราะกาลังของสตรัมย่ามันตกจิตไม่มีที่เกาะเพราะจิตไม่มีที่กเกาะก็เอากายไม่อยู่กายก็จะง่วงเหงาพับไปพับมาอยู่อย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าประคองสติสัมยาไม่ได้ซึ่งมันมันเป็นจุดหนึ่งของการปฏิบัติในช่วงสาวันแรกเนี่ยมันจะสลับ ตื่นสลับหับสลับห้อ ง, งสลับเงาสลับเบือ่อสลับปวดสลับอยู่3าวันเนี่ยเพราะว่าร่างกายของเรายัางปรับไม่ได้แต่ถ้าคนไหนมีสติสัญญาเข้มแข็งก็สามารถกระตุน้นการทํางานของสติสัญญาเนี่ยไ ด, ได้ได้ตลอดคนไหนมีสติสัญญาอ่อนก็ไม่สามารถจะปกครองจิตให้เข้มแข็งได้การปฏิบัติก็ไม่ก้าวหน้านะนั้นเองในแง่ของการเจริญสตินั้นเราจะต้องเข้าใจถึงเรื่องรูปเรื่องนามเป็นเบื้องต้น รูปคือในส่วนที่เราตาเห็นได้ทั้งหมดหูได้ยินทั้งหมดจมูกรับกลิ่นทั้งหมดลิ้นรับรสได้ทั้งหมดกายสัมผัสได้ทั้งหมดมนี่ก็เรียกว่าเป็นรูปในส่วนที่เป็นนามคือความารู้สึกรับรู้ในส่วนที่การสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยาตาสัมผัสแล้วรู้สึกยังไง ร, รู้สึกใจพอใจเฉย หมูได้ยินแล้วรู้สึกเป็นยังไงรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจหรือเฉยเฉยจะหมูได้กลิ่นลิ้มรสกายสัมผัสจิต น, นึกคิดแล้วรู้สึกยังไงนะรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจหรือเฉยเฉยสำรวจตรงนั้นให้ดีแต่มันมีคําอยู่คําหนึ่งว่าถ้าอายตนาภายนอกภายในสัมผัสกันแล้วเกิดอาการรู้ขึ้นมาท่านบอกว่ารู้สักแต่ว่ารู้อย่าสําคัญมันหมาย สิ่งที่เรากระทบนั้นว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาให้รู้สัตววารูา้เห็นสัตวว่าเห็นคิดสัตวว่าคิดคือสัตว่าก็หมายถึงว่าเห็นเฉยเฉยได้ยินเฉยเฉยรู้เฉยเฉยโดที่ไม่ปรุงไม่แต่งไปเป็นความคิดอันนั้นเป็นความจำกัดความของคําว่าสติปัฏฐานแต่ที่นี้สําหรับผู้ใหม่ผู้เริ่มต้นเนี่ยมันสัตว่าไม่ได้ เพราะว่าเราเคยชินอยู่กับว่าเห็นแล้วต้องคิดได้ยินแล้วต้องนึกนะสัมผัสรับรู้แล้วก็ต้องปรุงแต่งที่เราเคยชินอยู่อย่างนั้นทีนี้เราจะทําอย่างไรให้ให้มันสัตวะได้เนี่ยก็ต้องฝึกฝนนะฝึกฝนโดยการให้มารู้รู้ความรู้ที่เป็นหลักนี่ก่อนความรู้เป็นหลักคือความรู้ที่เป็นไปในกายในเวทนา ความรู้ที่เป็นไปนในกายก็เช่นลมลมหายใจการเคลื่อนไหวยู่เดินนั่งนอนการเคลื่อนไหวยีบทเล็กย่อยทั้งหลายนีย่ภาพตาปากหายใจเคลื่อนไหวเหลวใสไายขวัญนี่ก็มาดูทางกายนี่ในส่วนที่เป็นกําหนดรู้เป็นหลักได้ในส่วนที่เป็นเวทนาเราก็จะเห็นในส่วนที่อรุปินไอพตรงก่อนเสียงดัง ติดแอร์เย็นมากทําให้คุณฤิษักิ์ต้องง่วงนอนมากเลยถ้าแอร์เย็นหน่อยอาจจะไม่ง่วงก็ได้เอออาจจะหายง่วงได้แก้ง่วงช่วยก่นั่นเพราะนั้นเราจะเห็นว่าการประคองสติสัมยาแน่ไม่ใช่เรื่องย่อยเป็นไม่ใช่เรื่องย่อยเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญมากนะบางคนนั้นที่มีความเข้มแข็งขนาดไหนถ้าสติสัมยาอ่อนก็จะประคองตัวไม่อยู่ ดังนั้นเองต้องใช้ปัญญาในการแก้ไขเ <c oughs> ช่นแล้วอาจจะลุกนั่งย่างเดินอาจจะทําอะไรกิจกรรมอะไรบางอย่างให้มันตื่นตัวขึ้นมาโดยที่เราไม่ยอมจํานวนต่อการง่วงอย่างนี้เราก็ใช้ปัญญาแต่เราขาดทั้งสติสมาธิปัญญาเรก็เอาชนะมันไม่ได้เลยความง่วงตัวเล็กๆนะดังนั้นเองในจุดนี้จึงอยากจะให้เอาความรู้ที่เป็นหลักไว้ก่อนว่าในส่วนของกายทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่หัวจนเท้าเนี่ยเราเลลึกรู้อะไรได้บ้าง อรู้ในส่วนกายอย่างที่กล่าวไปเมื่อวานทั้ง6อย่างนับตั้งแต่ลมหายใจไปจนไปแล้นในส่วนเวทนาเวทนานในมีสองอย่างเวทนาทางกายเนี่ยเราก็จะรู้ด้วยยงเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงไว้เจ็บปวดเมื่อยพวกนี้จะเป็นเวทนาทางกายเวลาทางจิตก็จะมีเวทนาหความพอใจไม่พอใจหรือเฉยเฉเพราะฉะนั้นเวทนาจึงเหมือนประตูสองบานที่เปิดเข้าและเปิดออก เวทนาเป็นประตูเชื่อมระหว่างรูปกับนามเขาด้วยกันถ้าหากว่าเรารักษาแก้ไขเวทนาให้ดีเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าเข้าใจรูปนามได้โดยไ ม, ไม่ยากเพราะเวทนากายเป็นประตูบ้านซ้ายเวทนาจิตเหมือนประตูบ้านขวาเปิดออกเปิดเข้าอยู่ตลอดเวลาทีนี้เราจะทำอย่างไรที่จะให้รู้เท่าทันหนึงถึงขั้นเวทนา เในเวทนาตัวนี้มันจะปรากฏอยู่หลายแห่งเช่นปรากฏในกัน5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาในปฏิจจสุบาน ต, ตันหาเออยิปส่าเกิดเวทนาเวทนาเกิดตันหะเวทนาในสถิปฐาน4เนี่ยเราจะเห็นว่าเวทนาปรากฏหลายแห่งดังนมีความสําคัญดังนั้นเราเอาใจใส่ตัวเวทนาให้มากแต่เวทนา สัตวเวทนาให้เข้าใจส่ายเวทนาสัตวเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่เมื่อใดเราเห็นเวทนาเป็นเรานั่ยนะความเชื่อมทุกระหว่างรูปกับนามก็เกิดเมื่อใดเราเห็นเวทนาเป็นสัตวเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวเราเขาความทุกระหว่างรูปกับนามก็เข้าถึงกันไม่ได้นะความรูปความรูปความทุกของรูปก็ไม่เข้าถึงนามความรูปความทุกของนามก็ไม่เข้าถึงรูปเพราะเวทนาเป็นตัว เชื่อมต่อดังนั้นเองเราจะทำไงให้เท่าทันเวทนาก็ต้องให้เห็นรูปซะก่อนว่ารูปกับนามเนี่ยเป็นอย่างไรในส่วนที่เป็นรูปทั้งหมดนั้นไม่มีปัญหานะเพราะว่าเขาได้กำเนิดมาอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นในส่วนเป็นรูปของกายจะในส่วนที่เป็นนามคือความรู้สึกนึกคิดเนี่ยก็อาศัยตัวเวทนาไปที่ปรากฏ ถ้าเวทนาของเราปกป้องเวทนาของเราไม่ดีเนี่ยก็เราก็มีโอกาสที่จะไม่สบายเช่นว่าร้อนจัดหนาวจัดแล้วเราไม่ไม่นำพาไม่รักษาเนี่ยหมายความว่าเรารับรู้เวทนาไม่ไม่ถูกร้อนจัดเราอะจะไปเดินเล่นทําให้เกิดป่วยได้หนาวจัดเราไม่หาผ้ามาปกป้องตัวเองจะเกิดเจ็บป่วยได้หรือเล่รับอุบัติเหตุเวทนารุนแรงแล้วเราไม่ ดูแลรักษาไม่สียาก็เกิดอันตรายได้เพราะนั้นเวทนาจะเป็นตัวบอกเป็นสัญญาณให้เรารู้จักปกป้องรักษารูปของเราให้ดีในขณะเดียวกันความที่เราเกี่ยวข้องเวทนาอย่างใกล้ชิดเราก็เลยเป็นสัญชาตญาณว่าตัวเวทนาเนี่ยทำให้สัญชาตญาณของเราทำหน้าที่เช่นเรารู้สึกหนาวก็โดยสัญชาตญาณจะบอกว่าลาบผ้ามอผมหาผ้ามอผม รู้สิกร้อนเราก็หารมเข้าหรือหารมมากางหาพัดลมหาแอมาโดยสัญชตาตญาณเพราะเวทนาเป็นตัวบอกแต่ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจเวทนาเราก็ไปสาคัญเวทนานี่เป็นตัวเราเมื่อเราเห็นเวทนาคือความรู้สึกนี่เป็นตัวเราปั๊บนี้มันก็นำไปสู่ตัวอัตตา ตัวอัตราตัวนั้นก็ทําให้รู้สึกต่อเป็นความคิดความนึกความปรุงแต่งความสําคัญมัน่นหมายอะไรหละยลายอย่างตามมาแต่ถ้าเราเห็นเวทนานี่ยสัตเวเ ว, เวทนาเวทนาเนี่เหมือนความพนป่วยต้องดูแลรักษาต้องเยียวย า, าทีนี้ไอ้ตัวสติที่จะไปรู้เท่าทานเวทนานเนี่ยก็ต้องเป็นสติที่พัฒนาอย่างถูกต้องพัฒนาสติต้องเป็นยังไงก็ต้องมา รู้ตามลำดับในส่วนห ย, ยาบๆเสีก่อนในส่วนที่มองเห็นได้เพราะนั้นในวิธีการหลวง่อเทียนท่านจึงไม่เน้นที่ลมหายใจเพราะมันเป็นนิมิตกรรมาฐานหรือเป็นที่ตั้งของสติค่อนข้างเบา บ, บางพอเราลืมตัวปั๊บหนึ่งมันก็ไปแล้วไปกับอารมณ์อื่นงั้นท่านก็เลยเอาตัวการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยมาเป็นที่ตั้งก่อนเห็นได้ การเคลื่อนไหวของมือก็เห็นได้การเคลื่อนไหวของเท้าก็เห็นได้การเคลื่อนไหวของการเคลือ่อนไหววัตุส่วนเห็นได้แต่การเคลื่อนไหวลมหายใจเนี่ยคุณรันตนาเคยเห็นเนอะตัวลมหายใจเป็นตัวยังไงไม่ได้แต่รู้สึกใช่ไมเห็ตาไม่เห็นแต่ยกมือนี่เห็น น, นะใจก็รู้สึกตาก็เห็นด้วยทับตานี่ก็เห็นใช่ไหมเหลวซ้ายเลขวานี่ก็สามารถเห็นได้ เระนั้นส่วนหยาบเนี่ยเห็นได้ ด, ด้วยตาเห็นได้ด้วยใจเนี่ยก็ทําให้สติของเรามีที่ตั้งมั่นคงอืมแต่ว่าผู้ที่ใช้อนาปนานสติสําเร็จผลนี่ก็มีนะไม่ใช่ไมนมีแต่ว่านั่นหมายความว่าท่านจะต้องมีสติสัมปัญญาเป็นเลิศมีความเป็นอัชิรยิยะในตัวมีสตเปัญญาเป็นเลิศแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมเอือ้อแล้วก็มีเวลาประสบผลสําเร็จได้แต่ใช้เวลา แต่ท่านเหล่านั้นก็ต้องมาใช้เดียบุตอาการ 3.2 ทสาสีเข้ามาบวกอยู่เดียดถึงแม้ท่านจะใช้อนาปนานสติเป็นหลักก็ตามดังนั้นหลวงพ่อเทียนท่านก็เห็นตรงนี้ท่านก็เลยรัดขั้นตอนว่าอย่าเอาอนาปนานสติเป็นหลักเลยแต่เอากายยคตาสติเป็นหลักกายยคตาสติคือว่าเอาตัวการเคลื่อนไหวของกายทั้งตั้งหัวจดเท้านี่บวกลมหายใจเข้าไปด้วย เป็นตัวแทนที่จะเป็นอานาปนาสติท่านก็มาใช้กายคตาสติแทนก็ทําให้การเจริญสติการเจริญวิปั ส, สนานเนี่ยได้ผลนะทีนี้การจะได้ผลไวถุนช้าอีกส่วนหนึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับความเข้าใจความเข้าใจในอะไรเบื้องแรกที่สุดเข้าใจในรูปนามนะรูปเข้าใจอย่างไรถึงจะถูกให้เข้าใจว่าอาการของรูปรูปทําอะไรอยู่ ลูกมีการทำงานหมตอนนี้ตอนนี้ลูกมีการทำงานัหมมีอะไรบ้างติปต า, ป, ต า, าปากหายใจนะเขาเรียกลูกทำใช่ั้ยลูกมันทำงานเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามหายใจเลือด1ิปจอนพวกนี้ทำงานตลอดเวลาท่นบอกให้เลื อ, เลอกเอกรเเือลูกนี้เขาเรียกลูกทำนามทำไหยนามทำงานไหมทำทำหน้าที่ยังไงนามหูได้ยิน รู้ว่าเสียงกับแล้วกระทุกหูตามองเห็นก็รับรู้ว่าตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่อันนี้เป็นนามนะแล้วก็ร่างกายของเราเย็นร้อนอ่อนแข็งเค็งตึงรับรู้ได้ใช่หมอันนี้ก็เป็นทํานามทํางานในขณะเดียวกันนามทํางานในรูปแล้วงานทํานามในนามอีกมันทําหน้าที่คิดใช่ไหมฟังไปฟังไปแวบคิดขึ้นมาอันนี้ก็เป็นนามเพราะฉะนี้การที่นามทํางานเรียกว่านามทํา ลูกทํางานเขาเรียก็่าลูกทำให้รู้ลูกทำนาำทำให้รู้ให้ชัดนะไม่ใช่รู้แบบรวมๆยุรู้ให้ชัดและลูกทำนาำทำทีนี้ลูกทํางานนาำทํางานเนี่ยมันอ่าอให้เกิดอะไรลูกนามเราส่วนใหญ่ร่างกายจิตใจของเราส่วนใหญ่เนี่ยตลอดเวลาเนี่ยอันไหนมันมีสุขอันไหนมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขมากกว่าระหว่างความสุขกับความทุกข์อันไหนมากกว่านะนั่งนานก็เป็นทุกข์แล้วใช่ไหม ร้อนมากก็เป็นทุกเย็นมากก็เป็นทุกเหงืก็เป็นทุกเนี่ยทุกปรากฏให้ตลอดเขาเรียกเป็นโรคโรคประจําสังขารเขาเรียกลูบโรคลูบโรคเช่นนั่งนานปวดขาเดี๋ยวปวดขาเริู้สึกไม่พอใจเป็นนามโรคเขเป็นนามโรคไปอีกละแต่ถ้าสมมติปวดขาเราไม่ได้มีความพอใจไม่พอใจนั้นก็เป็นแต่นามโรคแต่แล้วก็เผลอคิดจนได้ใช่ไหม พอคิดขึ้นมาก็เ น, นามธรรมเนี่ยไหมรูปธรรมรูปทำงานนามทํางานก็กลายก็ให้เกิดความทุกขเวทนาก็เป็นรูปลกุกนามโลกนะทีนี้ไอ้รูปลกุกนามโลกเนี่ยมันที่ปรากฏรูปธรรมนามธรรมก็ดีรูปโรกนามโลกก็ดีที่ปรากฏเนี่ยมันเที่ยมไหมเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมเดี๋ยวเจ็บมากเดี๋ยเจ็บน้อยเดี๋ยวร้อนมากเดี๋ยวร้อนน้อยเดี๋ยวคิดเดี๋ยวคิดไม่คิด เดี๋ยวพอใจเดี๋ยวไม่พอใจสลับคนไปกันมาเรื่อยๆเรียกว่ามันไม่เที่ยงใช่ไหมความไม่เที่ยงในนี้ทําให้เกิดอะไรไม่สบายใช่ไหมการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเขานั้นแรกๆก็รู้สึกสบายใช่ไเพรมันเปลี่ยนไปสักพักเอาไม่สบายเนี่ยให้ความไม่สบายเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆพราความเปลี่ยนแปลงของของรูปสมมติเรานั่งท่านนี้ลมเลือนลมมันเดินท่า น, นี้มันตีบตนันมันก็ มันจะดันไปให้ได้มันดันไปไม่ได้มันก็แสดงอาการเป็นเจ็บเป็นปวดเป็นเหน็บเป็นชาเราก็ต้องเปลี่ยนพอเปลี่ยนก็สบายพักหนึ่งเอาเดี๋ยวเจ็บอีแล้วก็นามาเป็นทุกข์ใช่ไหมทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะคิดแบบนี้อ้าวผไม่เปลี่ยนให้มึงแล้วบังคับให้มันหายว่าการเจ็บขานี่จงหายไปการปวดขลังนี่จงหายไปเดี๋ยวนี้ฉันสั่งแกมันจะฟังเราไหมเพราะมันไม่มีตัวให้สั่ง มันคับไม่ได้ใช่ไหมควบคุมไม่ได้เนี่ยพอนั่งลงไปปั๊บเนี่ยแกอย่าปวดนะควบคุมไม่ได้มันต้องปวดเวลาปวดเราไปสั่งให้แกแกยาแกอยาอยู่นี่นะแกจึงหายไปเนี่ยมันก็ไม่ฟังเราอีกใช่ไห ม, มก็ยังอยู่อย่างนั้นแหละแล้วมันมีตัวเขาเรียกอะไรทีออ่อนัตตาอนัตตานี่แปลว่าไ ม, ม่มีตัวแต่ทําไมมันมั น, ม, นมันทำให้เรารู้สึกได้นะไม่มีตัวก็เพราะมันเป็นอนิจจัง ขบวนการเป็นลูกโซ น, นี่อนิจจังทุกขังนัตตาหมุนอยู่ในลูกทํานำทําลูกลวงนำลกงนี่ตลอดหมุนอ ย, อย่างนี้ตลอดทีนี้ถ้าสมมุติว่ากายเนี่ยมันจะพ้นจากอานาจของอนิจจังทุขังนัตตาได้ไหมกายเนี่ยเพราะกายเป็นสังขารโดยกําเนิดสิ่งไหนเป็นสังขารสิ่งไหนปรุงแต่งเรืงสิ่งนั้นต้องตกอยู่ในภายใต้อํานาจของอ น, นิจจังทุกขังนัตตาหมดอย่าลืมนะทุกอย่างแม้แต่ วัตถุทุกอย่างน่ะที่เป็นวัตถุเนี่ยตกอยู่ภายใต้การทํางานของนิจังทุกขังนกตามหมดเขาจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามไม่ว่ า, าคริสต์อิสลามพาหินดูเนี่ยมันจะรู้จักกฎในนิจัรทุกขังกตากรตามไม่รู้จักกระตามต้องเป็นไปตามกฎอันนั้นนี่เขาเรียกกฎของสัจธรรมแต่พระพุทธเจ้าค้นพบยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าจิตของเรานี่สามารถที่จะอยู่เหนือกฎของนิจังทุกขังนกตาได้ถ้าทําให้จิตนั้นไม่ปุงแต่ง ถ้าจิตนั้นปรุงแต่งจิตนั้นก็ต้องตกอยู่ภายใต้ของอำนาจของนิจังรู้ข้างหน้าตาเหมือนกันแต่ถ้าจิตนั้นไม่ปรุงแต่งทำได้ไหมไม่ให้มันคิดไม่ให้ปรุงแต่งทำได้ไหมทำได้อ่าทำได้ทำยังไงก็อย่างน่กล่าวเมื่อกี้เห็นสัจธว่าเห็นไม่ต้องปรุงรู้สัจธว่ารู้ไม่ต้องปรุงใช่ไหมอ่าเนี่ย ตัวนั้นน่ยเราก็กำลังทําตัวนั้นแหละตามภาษาบาลีท่านใช้ก็ตัววิสังขารที่พุทธเจ้าอุทานตอนแรกเ่ยวิสังขาระคาตันกิตตันตันหานังขยัมชะค า, าใช่ไหมบัดนี้จิตของเราได้ถึงแล้วซึ่งการปรุงการอะไรมาปรุงแต่งไม่ได้คือถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปของตันหานั้นการที่จะไม่ปรุงแต่งก็คือขจัดอะไรขจัดที่ตันหา ตราบใดตัวตันหาเป็นตัวปรุงแต่งจิตจิตก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอนิจฉุกข์ขังอนัตตาเมื่อใดไม่มีตันหาเข้าไปปรุงแต่งจิตจิตก็เป็นวิสังขารอย่างสูงว่า น, นั่งนั่งแล้วปวดขาเนี่ยกายมันปวดเฉยเฉแต่ใจเราไม่ได้ปวดด้วยใจเราก็ไม่ได้อยากเพราใช่มันหายหรือไม่หายไม่ได้อยากด้วยใจเราก็มองเฉยเฉยมองการปรวดทั่นเฉยเฉ ใจเป็นวิสังขารได้ถึงแม้กายเป็นสังขารก็ตามแต่สามารถทําใจให้แต่ถ้าสมมุติว่าเราใจของเรามาปรุงแต่งเอ๊ะเมื่อไหร่มันจะหายเสี้ทีเมื่อไหร่มันจะหยุดเสี้ยทีหงุดหงิดรำคาญ ข, ขึ้นมาจิตเป็นอะไรด้วยเป็นสังขารด้วยใช่ไหมเพราะปรุงแต่งจิตนั้นก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอันนี้จ้งรูขง้ขังหนาตาด้วยแต่พอจิตไปรู้ว่าเอปวดก็เป็นเรื่องของมันไงไม่ใช่เรื่องของเรามันมีหน้าที่ปวดก็ปวดไปสิเราเราก็เห็นอาการปวด ทนได้ก็ทนท น, ทนไม่ได้ก็เปลี่ยนช่วยมันเท่านั้นเองโดยจิตใจไม่กัดแก่งหวั่นไหวไปกับอาการของของทุกข์นั่นเลยนี่คือเราจิตของเราเป็นวิสังขารคือไม่ปรุงแต่งเพราะนั้นวิสังขาร น, นี้ก็จะไม่ไม่เป็นไปตามอำนาจของนิจังดูขังหน้าตามันก็เป็นวิปัสนาขึ้นมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวตัววิปัสนาเนี่ยมันปรากฏอยู่ในนั่นแหละปรากฏอยู่ในตัวสังขารวิสังขาร ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นสังขารก็กลายเป็นสังสารวัตเมื่อไหร่เป็นวิสังขารเมื่อนั้นก็กลายเป็นนิพพานอยู่ตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติเนี่ยเราจะเอาสังสาระเลยเอานิพพานก็เลือกเอาตรงนั้นนะฮะนี่ไอการที่จะเลือกไล่ต้องมีอะไรนะที่ว่าเมื่อกี้ต้องมีสติ สัมปชัญญะและปัญญาใช่ไหมดังนั้นการพัฒนาสติส ม, มัญจะตึงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนาจสติปัญญาตัวนี้มันได้ว่องไวพอที่จะเมื่อจิตมันจะเข้าไปปรุงแต่งในสิ่งที่กระทบเช่นความเจ็บปวดของกายไปกระทบจิตถ้าสติปัญญามาทันจิตก็ไม่ปรุงแต่งถ้ามันมาทันมันก็จะนึกอ๋อเจ็บสักแต่ว่าเจ็บไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเพราะนั้นความเจ็บไม่ใช่เราเราไม่ใช่เจ็บ เ, เ, เจ็บ เ, เ, รเราไม่ใช่เป็นเจ็บไม่ใช่เป็นเราเราไม่ใช่เป็นเจ็บเจ็บก็คือเจ็บแต่ว่าไม่ใช่เราเราเป็นผู้ดูผู้เราก็ไม่มีแต่อะไรเป็นทําหน้าที่รู้อย่างนี้สติสัมปชัญญะและปัญญาใช่ไหมเพราะนั้นตัวสติสัมปชัญญะก็เรียกว่าธรรมเรียกว่าปรามัตทธรรมสังขารเป็นตัวสมมุติธรรมเนี่ยจากตัวอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาทําให้เรารู้จักสมมุติแยกสมมุติปรามาทออกจากกัน ในส่วนไหนจิต ท, ที่เข้าไปอยู่ใต้อํานาจของอนิจจังทุกขังนาตาเป็นสมมติทันทีใช่ไหมแต่เมื่อใดไปเห็นเฉยเฉยรู้เฉยเฉยเข้าเฉยเฉยเโดยที่ไม่ปรุงแต่งไปตามอาการนั้นเป็นอะไรเป็นปรมาทิน่ทีนี้ระหว่างสมมติปรมาทิติเราจะเลือกอยู่ข้างไหนละ่ะใจของเราให้มาอยู่ข้างปรมาทิติถึงว่ากายนั้นมันจะไปอยู่ข้างสมมุติโดยธรรมชาติแต่เราสามารถเลือกใจไม่ให้เป็นไปตามกฎของอนิจจังทุกขังนาตาได้โดยที่มาอยู่ปรมัทิติ แล้วในตัวสติสมาธิปัญญาก็เข้าไปแทนอะไรแทนตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาแก้กันในตัวเสร็จเลยนี้เอาใจมาหยุดด้วยสติสมาธิปัญญาไม่ได้ไปอยู่ในอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกเข้าไปยังไงทุกมีที่เกาะไหมอะไระที่เราสวดอ่ะในสติปัฏฐานสูตรไม่มีที่ตั้ง ไม่ทิจังไม่มีทิจังอาศัยทุกเมื่มีที่ตังอาศั ย, ศยถ้าเรารู้อย่างนี้นะทีนี้เราต้องทําบ่อยมากเพราะอะไร<ม>เพราะว่าตัวปรมาทของเรายังไม่เข้มแข็งมันยังปูปูโผล่ใช่ไหมบา ง, างครั้งมันทันบา ง, างครั้งมันก็ไม่ทันเวลาเวทานาเข้าจับกายบางครั้งก็เผลอเป็นเราไปใช่ไหมมันไม่ได้นึกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากูเจ็บกูปวดกูเมื่อกูหิวกูม่วงกูเหงากูชอบกูไม่ชอบขึ้นมานั่นก็เป็นอะไรเป็นสังขารไปใช่ไหมแต่ถ้าหากว่ามันเป็น สติสมถิปัญญาเป็นปรมตถ ธ, ธรรมมันก็รู้สึกตัวก็เห็นก็ไม่ไปทุกข์ไปกับมันเมื่อจิตของเราไม่ปรุงแต่งการเวลาปรากฏไหมไม่ปรากฏนะฮะวันผ่านไปแป๊บเดียวนะแต่ถ้าหากว่าเราปรุงแต่งอ้วันนี้ทำไมมันยาวเลื่อเกิ่อนเมื่อไหร่มันจะเข้ามันจทีนั่นแสดงว่าจิตปรุงแต่งเอาแล้วเข้าไปอยู่ภายใต้ของสมมุติของการเวลาแต่เมื่อจิตของเราอยู่เหนือสมมุติอยู่ในปรมัตถแล้ว มันก็ไม่สําคัญมันหมายว่าการเวลาก็คือช่วงที่เราคิดเท่านั้นเองเมื่อไม่มีความคิดการเวลาก็ไม่ปรากฏวันเดือนปีก็ไม่ปรากฏเป็นกฎของใจรักนไง ก, นก็ชื่อของอนิจจังทุกขังนักปัจจุก็ชื่อใจรักไงในลักษณะของสาอาการนี้มันเป็นลักษณะที่ครอบครองในธรรมที่เป็นสมมุติธรรมทั้งหลายแต่มันไม่สามารถจะเป็นครอบครองในปรมัตถธรรมได้นะอามาได้ยกตัวอย่างหลายครั้งว่ากะทิเนี่ย ก็คือส่วนที่มันมีเชื้ออยู่ในนั้นด้วยนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคือน้ําแต่พอเรานําไปหุงไปเคี่ยวเนี่ยเคี่ยวเอาน้ําออกมันเหลือแต่อะไรน้ํามันน้ํามันแปลเปลี่ยนไปตามกฎของแตรลักษณ์ไหมก็ไม่เปลี่ยนแล้วเพราะมันเป็นน้ํามันแล้วเนี่ยมันก็ไม่ไม่บูดละไม่เน่าแล้าไม่เสียละแต่สมมติว่านะนํามันก็เป็นรูกแต่ว่านั่นหมายความเป็นรูกละเอียดมันไม่ค่อยเปลี่ยนไปง่ายๆ แต่สมมุติว่ากะทิเนี่ยเก็บไว้กี่วันมันถึงจะบูดวันเดียวบูดเหรอสเจ็วันน้องบังบูดอ่ะอากาศร้อนๆก็วันสวันก็บูดใช่ไหมแต่น้ามันให้กี่วันมันถึงจะบูดนะมันไม่ค่อยบูดง่ายๆใช่ไหมเออเห็นไหมไหนเพราะว่าอันไหนที่มันไม่ปลอมปนด้วยสิ่งเนี่ยจิตของเราเหมือนกันจิตของเราถ้ามันปลอมปลอนด้วยอารมณ์ พอใจไม่พอใจมันก็บูดไวใช่ไหมแม่วันนี้คุณอารมณ์บูดเรื่อยๆหน้าบูด <c ười> ใช่ไหมเพราะมันมีเชื่ออะไรเชื้อแห่งอานิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในนั้นเชื่อแห่งกิเลสอยู่ในนั้นทําให้อารมณ์เราบูดไงแต่ว่าคุณผมเห็นหนะ้าคุณคุณไม่เคยหน้าเบึ่งเลยนะคุณหน้าบานอยู่เรื่อยๆแสดงว่าคุณไม่เคยบูดเลยใช่ไหม แสดงว่านนในใจของเขาไม่ค่อยมีเชื่ออนิจังทุกขังอนัตตาเท่าไหร่ถึงมีก็มีน้อยเห็นหน้าอะไร่บานเมืม่อนั้นมาเห็นบูดเลยนะเมื่อคนนี้ไม่คเ ค, ย, คยชอบนาเห็นหน้ากันเลยบูดทุกทีแสดงว่าแกมีเชื่อกี่เลือเนเยอะพ่อไปตามกฎของใจลักบ่อยนะนี่ในรูปธรรมเราก็เห็นใช่ไหมมันไม่ใช่เป็นเรื่องลึกลับอะไรเลยนะเป็นเรื่องที่เห็นได้พิสูจน์ได้แต่ทีนี้เราจะทํายังไงให้กฎของอานิจังทุกขังอนัตตาเนี่ยได้ถูกรู้ตลอดเวลาก็ต้องมาสร้างตัวสติ สมาธิปัญญ <âm> า, านี่ให้เข้มแข็งเมื่อสติสมาธิปัญญาเข้มแข็งแล้วมันก็เมื่ อ, อไหร่มีเชือ้อแห่งความคิดปรุงแตง่งเชื้อกี่เดีเข้ามาปั๊บมันก็จะเข้าไปสกัดเหมือนเราเคี่ยวน้ํามันนะนะตัวความร้อนเนี่ยมันจะเข้าไปสกัดแยกระหว่างน้ํากับน้ำมันออกจากกันใช่ไหมเหมือนกันตัวความร้อนของตบาบัตที่เราทำเนี่ยของสติสติยะที่เราทํามันจะเข้าไปสกัดระหว่างความคิดปรุงแต่งกับไม่คิดเนี่ยออกจากกัน พอรู้ปับ๊บถ้าหากมันมีสติมยาตอยู่มันก็ไม่ปรุงใช่ไหมรู้เฉยเฉยเห็นเฉยเฉยฟังเฉยเฉยแต่เมื่อไหร่ขาดสติมญาตปับ๊บมันก็ปรุงตามนั้นเชื้อเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมเชื้ออะไรเชื้อของกิเลสเชื้อของความพอใจนั้นไม่พอใจก็เข้าไปเนี่ยกดง่ายๆอย่างนี้นแต่ทําไมมันทํายาก <Yeah. S 1> อ่ะเพราะเราไม่เคยทํา <laughs> เราเพราะการที่จะทําได้นี่ไม่ใช่จู่จู่จะทําได้ต้องประกอบด้วยห้าหลักหนึ่งประกอบด้วยศรัทธา ศรัทธาที่จะฟังศรัทธาที่จะทําตามศรัทธาที่จะปฏิบัติมันจึงเริ่มด้วยศรัทธาสองเมื่อศรัทธาแล้วต้องลงมือเรียกว่าความเพียรใช่ไหมลงมือลงมือทําลงมือทําเรียกว่าวิริยะทําลงไปอสองเมื่อลงมือแล้วต้องประกอบด้วยอะไรสติใช่ไหมถ้าลงมือถ้าไม่มีสติก็าการลงมือนั่นก็เหลียวกันสติสตินี่ตัวเริ่มต้นนะ สมเริ่มต้นถูกแล้วต้องมีสมาธิต่างกันเหมือนก็โยมเอาไฟแช็คมานึ่ไฟแช็คมากดแชะขณะที่กดแชะเนี่ยไฟปรากฏนั่นเป็นสติพอเปลียวไฟตั้งมั่นปับ๊บเป็นอะไ ร, รเป็นสมาธิพอตั้งมั่นมัน่บเร า, เาไปจุดต่ออะไรต่ออะไ ร, ต, ออะไรต่อนะั้นเป็นอะไรเป็นปัญญาเนี่ยเห็นไหมมันมันมันทำคนละหน้าที่แต่ว่ามันองค์ประกอบมนเดียวกันกดไฟขึ้นแชะ ขณะที่กดนี่เป็นสติไฟปรากฏบางแห่งแล้วลมแรงพอกดแช่ก็ดับใช่ไหมถึงไม่ขี่นาขี่ที่มาแช่ก็ดับไม่ความว่าขาดอะไรขาดสมาธิใช่ไหมแล้วพอไฟดับแล้วจะไปต่อหนึ่งได้ไหมก็ขาดอะไรอีกขาดปัญญาบางทีหน้าที่ทําสติทําหน้าที่เหมือนกันแต่ว่าสมาธิไม่เกิดปัญญาไม่เกิดสตินั่นก็ไม่สมบูรณ์ไม่สําเร็จบางทียกมือเหมือนกันนะ่ยไม่ได้ตั้งใจยกไปเรื่อย สติก็ไม่ไม่เกิดเหมือนกันยกไปเฉยๆร้อยครั้งนึงจะมีสติสักกี่ครั้งก็ไม่รู้ถึงบางทียกไปชิดไปยกไปหลับไปยกไปง่วงไปเหงาไปอย่างนี้ก็ก็มีแต่ทําหน้าที่เหมือนกดแช่แช่แแต่ว่าประกายไฟนั้นมันไปติดใส่อะไรไม่ไปติดใส่แก๊สไม่ไปติดใส่น้ำมันก็สมาธิไม่เกิดอ่าพอประกายไฟไปติดใส่แก๊สน้ำมันปัป๊บไฟติดลมไม่มีไม่ดับ เราก็หาอะไรไปจิตทำหน้าที่ต่อใช่ไหมาการทำหน้าที่ต่อไปนั้นเป็นหน้าที่ของปัญญานี่สติสมธิปัญญาทำงานร่วมกันนี่ถึงจะสำเร็จเป็นองค์ประกอบของการปฏิบัติเขาเรียกว่าองค์ประกอบห้าอย่าง 1. ศรัทธา 2. วิญญาความเพียร 3. สติ 4. ส, ส, สมาธิ 5. ปัญญาก็เหมือนเราเอาไม้ขีดมาขีดไฟแล้วก็ทาหน้าที่ได้สาเร็จประโยชน์อันเดียวกัน นั่นเราจะเห็นว่าในส่วนที่เป็นปรมัต ธ, ธรรมเนี่ยถ้าเราปฏิบัติได้เราก็จะมองเห็นเป็นรู ป, ปรธรรมได้ชัดเจนนะถ้าไม่งั้นเราเราก็ทําไม่ถูกถึงแม้ว่าปรมัต ธ, ธรรมจรงมองไม่เห็นแต่ว่ามันก็สามารถที่จะเปรียบได้กับรู ป, ปรธรรมที่ปรากฏนะดังนั้นเมื่อเราลงมือปฏิบัติอย่างนี้เรารู้แจ้งเห็นจริงในเส้นทางนี้เราก็มั่นใจตัวมั่นใจในการกระทํานี้ จะแยกให้เห็นตัวสมมุติปรมามัดได้ชัดเจนสมมุติเกิดเกิดจากอะไรสมมุติเกิดจากขันห้าที่มีอุปท า, านเราจะไปเห็นขันหรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เมื่อเรไปเห็นกันห้าขันห้าประกอบด้วยความไม่รู้สึกแล้วปรากฏความคิดสร้างความคิดขึ้นมาเป็นรูปพรรนาสัญญาสังขารมิ ญ, ญานเราเรียกว่าสังขารมีสังขารมิยีนใช่ไหมถ้าหากว่ามีวิชาหรือสติสมถิปัญญาเข้าไปรู้เท่าทันนี่ตามให้ดีนะเมื่อกี้ถ้าอยู่ในรู้เลือกของไตรลักษณ์สมมุติเรายังใช้คําว่าอันนี้จังทุกข์หาหน้าตาใช่ไหมเราในแง่ของปรมัติ์เรายังใช้คํ า, นนว า, า, า, าว่าสติสมถิปัญญาแต่พอมาถึงตัวไปเห็นขันห้าเราจะใช้ย่อออกมาอีกคำหนึ่ง ย่อคำว่าวิชาและอวิชาถ้าขาดสติเป็นขาดสติสมริิปัญญาก็เป็นอวิชาถ้ามีสติสมริทิปัญญาก็เป็นวิชาใช่ไหมเมื่อไรวิชาปรากฏวิสังขารก็ปรากฏในการไม่ปรุงแต่งนี่มันมันจะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆนะที่ตามไม่ทันเมื่อไรอวิชาปรากฏสังขารก็ปรากฏนะหมายความว่าเมื่อรู้เมื่อลืมตัวปับความคิดก็เกิด เมื่อรู้สึกดวัวเพราะความคิดก็ดับเป็นวิสังขารเนี่ยไปเห็นขันห้าแล้วทีนี้นี่คือวิธีการของพระเรียนเราจะเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนมากเลยว่าตั้งแต่รูปนามรูปธรรมนามธรรมใช่ไหมรูปโลกนามโลกอันนี้จังทุกขังหน้า ต, ตาเห็นสมุติปรมตัตเดเห็นขันห้าชัดเจนเป็นทางของมันเลยอันนี้คือทางและวิธีการปฏิบัติขอ ง, ของพระพุทธเถียนโดยที่ไม่ต้องไปแจกแจงตามหลักของอริยธรรมให้มันสลับซับซ้อน ว่ายานเท่านั้นยานเท่านี้ไม่ต้องยาน16บยาน18ไม่ต้องเลยมันเห็นไปเป็นทางอย่างนี้ไอ้ตัวยานก็ดีเตวตัวอริธรรมมาแยกเป็นจิตเท่านั้นจิตเท่านี้นจิตเจตสิกลูกนิพพานนั้ น, เ, น, น, เ, ป น, นเป็นเรื่องของวิชาการไปแยกเอาซึ่งในภาพปฏิบัติมันมองมาเห็นภาพนะเพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างนี้จุดสําคัญที่เราจะต้องตามติดอยู่เสมอไปตามอยู่ตรงไหนตามอยู่ที่อินทรีย์5พละห้า คือตามอยู่ที่สติเอ้ยศรัทธาวิริยะสติสมุทัยศรัทธาคือความพอใจความมั่นใจที่จะทําความตั้งมั่นตั้งใจที่จะทำศรัทธาวิริยะขยันทําแล้วทํำไปแล้วก็เห็นตัวสติสมัมถติปัญญาเกิดขึ้นตามลําดับถ้าเป็นอย่างนี้มันก็เป็นตัวงานเขาเรียกว่าพระห้นะี่พระหา้าเมื่ออีซีพระหเกิดโพชชงก็เกิดโพธชงคือองค์แห่งการรู้ รู้อารมณ์ว่าตากระทบรูปความรู้เกิดไหมถ้าเราเห็นตาเราเห็นแล้วเราปรุงแต่งมีสติหรือขาดสติขาดสติใช่ไมเห็นหถ้าเราเห็นแล้วไม่ปรุงแต่งมีสติสัมผัสชงเกิดแล้ว รู้ชัดเลยนะไม่ใช่ว่ารู้แบบเบลอๆมัวๆรู้แบบหลงๆหือๆไม่ใช่รู้ชัดว่าเอยเดูที่ตาฉันเห็นจริงหูฉันได้ยินจริงแต่ว่าฉันไม่ได้ปรุงแต่งนะฉันรู้เฉยๆฟังเฉยๆเห็นเฉยๆแต่เข้าใจแต่ตัวเข้าใจนั่นไม่ใช่ตัวปรุงแต่งตัวเข้าใจคือตัวปัญญาการทําหน้าที่ของสติสมนีปัญญาเพราะฉะนั้นคิดตามแล้วเข้าใจนี่เป็นหน้าที่ของปัญญาไม่ใช่หน้าที่ของสังขาร แต่ถ้าสมมติเรานั่งฟังแล้เราคิดไปนอกกรอบเกินกว่าที่เราฟังเราได้ยินเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสังขารแต่เราเข้าใจกรอบเข้าใจตามที่นั้นชัดแจ้งปรากฏในใจเห็นภาพพจน์ชัดเจนนี่ก็เป็นตัวปัญญาปัญญาแปลว่าปรากฏชัดหมายความว่าสิ่งที่เราเข้าใจปรากฏชัดในใจของเราก็เป็นปัญญาแต่ถ้าเราคิดตะเลึงออกไปนอกกรอบนอกขอบเขตที่ได้ยินได้ฟังก็เป็นสังขาร เป็นอวิชาขึ้นมาดีเห็นมันใกล้เคียงกันมากเลยใช่ไหมเนี่ยน้ำมันกับน้ำกระที่เนี่ยก็เรียกว่าเป็นอันเดียวกั น, นใช่ไหมถ้าไม่มีไฟเข้ามาแยกเนี่ยก็แยกไม่ออกเลยว่าอันนี้เป็นน้ํอาอันนี้เป็นน้ํามันแยกไม่ออกเลยเหมือนกันนะตัวสังขารกับตัววิสังขารเนะี่ยแทบจะเป็นอันเดียวกันเลยอตัวตะบะธรรมที่เราทําก็คือสัทธาวิยะสติปัญญานี่นะสัทธาวิยะสติปฏิญ์สมถิปัญญาเนี่เหมือนกับตัว ความร้อนที่เขามาแยกว่าอันนี้คือความคิดนะอันนี้ไม่นี้ไม่ใช่ความคิดนะอันนี้สังขารนะอันนี้ไม่ใช่สังขารนะอันที่การปรุงแต่งนะอันนี้ไม่ใช่ปรุงแต่งนะอันนี้กิเลสนะอันนี้ปัญญานะมันจะแยกกันให้เห็นชัดเจนอย่างนี้เมื่อเรามั่นใจได้อย่างนี้เราก็ขยันทําใช่ไหมเราหาเวลาหาเงินเป็นนะยิ่งหาเงินก็ยิ่งได้ก็ยิ่งสนุกหาใช่ไหมว่าจะรี t h i g ไม่หี t h i g สักทีเพราะละอะไรรายได้มันสูงมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะใช่ไหมขยันทํามันจะเจ็บจะปวดจะไข้จะหนาวเพราะ ไปทำอยู่ดี น, นี่ลูกปธรรมยังได้ขนาดนั้นใช่ไหมทีนี้ถ้าสมมุติเราไปเห็นปรมัต ธ, ธรรมเนี่ ย, ยขยันมากกว่า น, นั้นอีกบางคนถึงไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนนะอยู่ที่ไหนก็กําหนดปฏิบัติตลอดขยันมากกว่า น, นั้นอีกขยันมากกว่าหาเงินเพราะอะไรเงินทองของข้าวของสมบัติเนี่ยมันได้แล้วมันก็เสื่อมไปใช่ไหมไม่เที่ยงใช่ไหมเป็นกฎของอนิจจังแต่ว่าปรมัตเนี่ยมันอยู่เหนือกฎของอนิจจามันมีค่ามากกว่าหลายหลายเท่าหลายหมื่นหลายแสนเท่าทําไมเราจะไม่ขยนัน พอมันเห็นนี่มันขยันทําทำทำตลอดเลยนะเพราะฉะนั้นอาตมาเนี่ยอยู่ที่ไหนก็เห็นคุณค่านี่ก็ทําถ้าอยู่ที่ไหนไม่ได้ทำเรารู้สึกว่าวุฒิสมบัติเราจะหมดเราเพิ่มสมบัติขึ้เรื่อยๆอย่างนั้นถ้ามันมีเยอะล้วก็แจกเพื่อนไปมันมีน้อยก็เก็บตัว แค่นั้นเดียวเพราะฉะนั้นก็เราก็แต่ว่าก็เฉพาะคนมีบุญกุศลเท่านั้นที่จะมารับได้นะไม่ใช่ว่ามาเทศทีคนมาฟังเป็นร้อยเป็นพันนไม่มีอ่ะอ่าสิบคนที่สิบคนเข้าใจได้ก็พอใจละคนเจ้าของจริงๆมีไม่มากหรอกแต่คนที่มาเป็นหมื่นเป็นแสนมันไม่ได้ของจริงสักคนนะบางทีมาตามกระแสเฉยๆมาก็ไม่เอาเนาะมาไม่เสียเวลาด้วยแต่คนเยอะๆมาไม่คยเอาเพราะว่าบางทีมันตรวจสอบไม่ได้แต่เรา เอาคนน้อยๆสิบคน20ิบคนนี่ตรวจสอบได้เราใครเข้าใจใครไม่เข้าใจมองหน้ามองตารู้มองอากัปปิยาดูเช็คได้แต่คนมาเป็นหลายร้อยหลายพันที่ตรวจสอบเปไม่ได้แล้วก็เหนื่อยเปล่าเขาก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมตามที่เอามามาผ่านมาเยอะมาตอนนั้นตอนหลังสุดมานี่เรื่องที่ไหนคนเยอะๆมาไม่เอาด้วยเพราะว่าอะไรเพราะหาคนจริงยากคนเหญ่เนี่ยเรียกไปตามกระแสนะ เพราะฉะนั้นก็ได้ให้ได้เป็นบางคนเท่านั้นแต่เราก็ดีใจเพราะว่าเป็นของจริงดัง น, นั้นอามาก็ฝึกฝนปฏิบัตินเตรียมไว้เพื่ออะไรเพื่อคนตั้งใจจริงเท่านั้นคนตั้งใ จ, จไม่จริงอามาก็ไม่เสียเวลาด้วยว่งางั้นเถอะนะเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนตั้งใจจริงจะทุ่มเทให้เต็มที่ว่างั้นเถอะพาปฏิบัติเท่าไหรเท่ากันเพราะอะไรเพราะเขาจะเป็นตัวสืบทอดพุทธศาสนาต่อไปพุทธศาสนาคือตัวสถาวิญญาริรยสตนะิสัมปชัญญะที่อยู่ในคนคนนั้น ถ้าคนคนนั้นปลุกขยาวรุกเร้าให้มันเกิดเข้มแข็งขึ้นมาเขาก็สืบทอดพุทศาสนาได้เพราะนพูดจะสิบทอดพุทศาสนาได้ไม่ใช่เป็นภิกษุภิกษุณีเท่านั้นนะใครก็ตามที่มาปฏิบัติตามหลักนั้นเนี่ยถือว่าเป็นผู้สืบทอดพุทศาสนา <c oughs> ซึ่งอาจไม่ใช่คนบวชก็ได้คนไม่บวชอาจจะสิบทอดได้นะเพราะนั้นหลักการอ น, น, นี้ลองเอาไปทําดูแล้วทําให้เข้าใจมันก็จะมีความสุข ในขณะที่ทําด้วยแต่ถ้าเมื่อไหรมันไม่มีความสุขมีความไม่สบายมีความออึดอัดขับแข้งขึ้นมาในขณะปฏิบัตินี้ต้องสังเกตไว้ก่อนนะไม่น่าจะใช่นะใช่ไหมก็ต้องหาทางแก้ไขเอ๊ปฏิบัติแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้นะตั้งข้อสังเกตว่ามันไม่ใช่นะถ้าใช่ไม่ใช่อย่างนี้นะถามว่าปรมตัตญธรรมนี่เที่ยงไหมเ <c oughs> <c oughs> พระาะปรัตญธรรมมันอยู่เหนือกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตา มันจะไม่มีคําว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันจะอยู่เหนือเที่ยงหรือไม่เที่ยงเพราะมันปรากฏอยู่นั้นโลกนี้มันจะพลิกจะผันจะล่มจะสลายไปกี่ครั้งโลกนี้จะเที่ยงหรือไม่เที่ยงแต่ว่าปรมาธรรมจะมันจะอยู่ห้องมันอย่างนั้นควาจริงท่ไม่ตายท่านใช้คําว่าอริยศั์ความจริงที่ประเสริฐมันมันมันมันตายไม่เป็นแค่อมตะธรรมก็เรียกใช่ไหมออมตะธรรมก็เรียกออื ถ้ามันมีเที่ยงเราจะสมมุติว่าเที่ยงเงี้ยก็เรื่อนิดนิดนิดตยะเป็นนิดอย่างเงี้ยก็ได้เพราะฉะนั้นตัวปรมามัดอยู่เหนือกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่บางครั้งคนที่สัมผัสปรมัดแล้วทําไมมีความเสื่อมละ่ะเพราะมันยังกาเริบอยู่เพราะประมามัดนันยังไม่สมบูรณ์อย่างสมมุติว่าน้ํามันมะพร้าวเนี่ยถ้า เขี่ยวไม่ไฟไฟไม่ร้อนจริงๆเองมันมีน้ําปนอยู่ในนั้นนะมันจะเป็นฟองเป็นเม็ดใช่ไหมเชี่ยวไม่ถูกวิธีเออเขี่ยวไม่ถูกวิธีหรือไฟไม่แรงพอน้ํามันนั่นจะไม่ใสใช่ไหมน้ำมันจะขุนๆเพราะมีมีน้ําปนอยู่พอเก็บไว้นานๆเข้าน้ํามันนันก็ขึ้ น, ข, นขึ้นราใช่ไหมอ่าเป็นกลิน่นแต่ถ้าน้ํามันไหนที่กัรว่าอย่างถูกต้องกรรมวิธีแล้วมันน้ามันจะใสแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วย<ม>เห็นไหมอ่าเป็นบริสุทธิ์ เพราะนั้น น, นมันที่เราเขาเอามากัดนเหมือนกันใช่ไหมน้ำมันบริสุทธิ์สูงสุดเนี่ยเป็นอะไรเป็นออกเทนอะไรไปใช่ไหมพอน้ำมันที่อ่าอัตราการกัดต่ําลงมาก็ดีกีก็ต่ำลงมาเรื่อยๆเห็นไหมปรามาตมัก็เหมือนกันถ้าปรามาตมัที่ถูกบําเพ็ญถูกบุมเพราะอย่างบริสุทธิ์สะอาดอย่างความเพียรที่แรงร้อนพอเนี่ยปรามาณมันนั่นจะสมบูรณ์จะสะอาดบริสุทธิ์มันก็จะเป็นอกุปธรรมคือไม่เสื่อมไม่กําเริ่ม แต่เราจะเห็นว่าพระที่ปฏิบัติแล้วทำไมมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวสึกเดี๋ยวมีอันเป็นไปต่างๆทั้งๆ ท, ที่ท่านก็สัมผัสปรมัดแล้วแต่ปรมามัดของท่านไม่ยังไม่บริสุทธิ์ยังไม่สมบูรณ์นี่ไหมมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการกําเริบเพราะฉะนั้นเชื้อมันยังมีอยู่ถึงแม้ปรมัดแม้แต่เชื้อที่เป็นสมมติเชื้อที่เป็นนั้นมันยังแทรกอยู่สมมุติมันยังแทรกอยู่ในปรมัดอยู่มันไม่ได้แยกออกมาโดยสิ้นเชิง มันไม่มีเชื่อสมมติอยู่สมมตินั้นมันอยู่ภายใต้กดของอะไรอนนีจังทุกขังนัตตาใช่ไหมแม้ปรมาจตัวนั้นก็ยังเป็นอั น, นิจ้จังทุกขังนัตตาอยู่เพราะมันมีตัวสมมุติแทรกอยู่เพราะขะบวนการการแยกก า, การกันกรองไม่ไม่แยกยุ่นไม่แยกคายร้อยเอร์ซเพราะฉะนั้นพระจึงที่ท่านรู้จริงเห็นจริงท่านจึงขยันปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อจะทดสอบกันกรองตัวนี้อยู่เสมอเพื่อไม่ให้มันกําเริบ มันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการปฏิบัติในหลักทำที่พุทธเจ้าตรัสรู้นี่เป็นของจริงไม่ใช่จะเอามาพูดกันเล่นๆหลอกหรอย่างนั น, นาเป็นห่วงเมืองไทยเราที่ว่าไม่เข้าถึงพุทธศาสนาแล้วก็มาลองกันเยอะๆว่าจะเอาพุทธศาสนาไปแจาชาวเน็ตนับถือมาเป็นพันสองพันปีแล้วนะแต่ก็ยังไม่เข้าถึงสักทีก็เพราะว่าตัวแยบขายเดยวนี้มันไม่พอแต่ขณะเดียวพระที่ท่านเข้าถึงคนไทยที่เราเข้าถึ ง, ถงก็เยอะเหมือนกันนะแต่เทียบปริมาณนั้นก็ยังน้อยอยู่ก็ท่านก็เป็นนักบวอ <laughs> ท่านก็ยังอาจจะไม่ได้เป็นพระที่สมบูรณ์ก็ได้ท่านยังเป็นนักบวชอยูออ่นักบวชก็มีเยอะนะแต่พระมีน้อยแต่พระมีน้อยนักบวชมีเยอะในสมัยขั้งพุทธกาลนี้นักบวชก็มีมาก่อนพทะเจ้าแต่พุระเจ้ามาพบกฎอันนี้บางทีงไปบอกนักบวชนักบวชไม่เอาได้วยซ้ำไปท่านอ克拉สาวกคนนี้เข้ามาบวตตามนักบวชก็เปลี่ยนใจ แต่นักบวชของเราในบ้านเมืองของเราท่านเปลี่ยนใจนักบวชหงพ้าเหลืองนท่านเปลี่ยนใจมาถือผู้นิศาสนาหมายความว่าต้องมาทํำวิปัสนาให้บริสุทธิ์เนี่ยท่านก็เป็นพระได้เหมือนกันแต่ท่านก็เป็นพระส ม, มุติสู์เงงนี้ยแล้ก็เป็นพระได้แต่อริยสงฆ์นี่เป็นได้ทุกคนนะไม่ใช่ว่าคนหงพ้าเหลืองเท่านั้นโยมก็เป็นอริยสงฆ์ได้อริยสงฆ์หมายความว่าผู้ที่ปฏิบัติตามกฎหลักสี่ประการคือสุภิปโนปฏิบัติดีตลอดอุ ช, ชปูปฏิปโนปฏิบัติตรงตลอด ยายาปฏิบันปฏิบัติออกจากความทุกข์และปัญหาได้ตลอดสามีจีปฏิบันปฏิบัติเพื่อให้เกิดภูมิปัญญาโดยตลอดนะ่นั้นเราจะเห็นว่าอันนี้มันเป็นหลักที่มันไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากอุตสสนาแล้วแต่ว่าทำไมมันจึงมีน้อยก็เพราะว่าการพิสูจน์ให้เห็นถึงตัวสศจธรรมเรนี่อย่างเป็นรูประธรรมนะ่ะมันยากถ้าเราไม่เห็นจริงเนี่ยมันก็ยากแล้วก็ไม่มั่นใจด้วย ก็ทําไปกล้าๆกลัวๆก้าวๆถอยๆอย่างนั้นแต่ถ้าเราเห็นจริงแล้วนี่แล้วก็สัมผัสลงไปในปัจจุบันนะที่เราฟังมาปัจจุบังกลางวันเวลาปัจจุบันจะเป็นเวลาสําคัญที่สุดใช่ไหมงั้นก็ต้องเห็นความหมายของมันด้วยเ่ามันสําคัญเพราะอะไรไม่ใช่นะสาคัญเพราะเราเห็นนะเราเห็นอนนี้สูงว่าปัจจุบันสําคัญที่สุดนะว่าในปัจจุบันนั้นมันจะมีอะไรอ่ะหนึ่งมีผู้เกี่ยวข้องกับเรา สองมีสิ่งที่ต้องทำด้วยกับผู้เกี่ยวข้องนั้นใช่ไหมส ม, มก็ต้องให้ทันการทันเวลานะหมายความว่าให้ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในขณะนั้นดังนั้นเองก็การมาเจริญสติมาปฏิบัตินี่ามาไม่อยากจะให้ทำแบบทดลองนะทำแบบวิเคราะห์วิจัยเลยทีเดียววิเคราะห์ใจเป็นตัวไปเลยว่าที่ว่าศรัทธาเป็นอย่างไรไอ้คนทั่วไปก็มีศรัทธา ทำบุญกินทานสร้างวัดสร้างว่าอ า, า, ารามแต่ทําไมเขายังมีทุกข์อยู่สัทธาเขาถูกต้องยังต้องตรวจสอบละถ้าสัทธาไม่ถูกต้องทุกข์ก็ยังไม่หมดก็ยังมีทุกข์อยู่แต่สัทธาถูกต้องคือสัทธาแบบไหนสัทธาถูกต้องหนึ่งต้องเชื่อเรื่องของกรรมการกระทําของเราเองเนะว่าหนึ่งต้องเชื่อกฎของหนึ่งเชื่อเรื่องของกรรมสองเมืเ่อทําไปแล้วต้องมีผลแน่นอนเขาเรียกวิบากกรรม สแล้วผลนั่นต้องตกแก่ตัวเองแน่นอนและกรรมสักตาสตถาคตะโพธิสัตวาเชื่อว่าการบรรลุธรรมมีจริงต้องเชื่อโดยมั่นใจด้วยว่าการบรรลุธรรมมีจริงไม่ใช่มีแต่พระพุทธเจ้าในพระหรหันทั้งหลายแม้แต่ในตัวเราก็มีได้แต่เราจะต้องมีศรัทธาที่มั่นคงนะเชื่อในการบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าของพระหรหันทั้งหลาย เข้าสู่เข้าถือความเป็นตถาคตได้คาว่าตถาคตที่มาว่าวเมื่อวานแปลว่าอะไรจะไม่ได้ละไม่ได้จําคือมันเป็นอย่างนั้นนีอความเป็นอย่างนั้นของมันเองมันไม่เป็นอย่างอื่นน่ะเออเป็นเช่นนั้นเองอะไรวะมันเป็นเช่นนั้นเจ็บมันก็ควเป็นเช่นนั้นอ่ะไม่เคยเป็นอย่างอื่นแล้วนั่นแหะเราเคยเจ็บมากี่ร้อกี่พันหนมันเคยเป็นอย่างอื่นบ้างหรือเปล่ามันก็เป็นเจ็บก็คือเจ็บนั้นแหละ ป่วยก็คือป่วยสบายก็คือสบายมันเป็นเช่นนั้นเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นรวมความความว่าเป็นเช่นนั้นได้แก่อันนี้จังทุกขังอนัตตาเห็นกฎของสังขารและธรรมทั้งหลายว่าเป็นเช่นนั้นเองคือเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาท่านใช้คำว่าธรรมดาอทํำง่ายของเราเออเป็นธรรมดาใน น, นิทานเรื่องธรรมดาเรามาเล่าสู่กันฟังบ่อยๆใช่ไหมเพราะนั้นเราอยากจะให้เข้าใจเรื่องนี้ก่อนเป็นอันดับแรกแล้วก็ไป ลำดับการปฏิบัติของเราเห็นอาการทุกอย่างแต่ที่สําคัญก็คือเมื่อเรายังเข้าใจไม่แจ่มแจ้งเรามักจะคอยเคละทําไมคนนั้นทําถูกคนนี้ทำผิดคนนั้นทําไมทําคนนี้ทําไมไม่ทำํำคนนั้นปฏิบัติแล้วทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเรามักจะไปตัดสินการการะทําของคนอื่นแต่ไม่ดูการการะทําของตัวเอง มันก็เลยชาย้าถึงนั้นเลยเมื่อเอาคนอื่นมาวัดเนี่ยมันก็เกิดทอยใช่ไหมคนนั้นเห็ปฏิบัติไม่ตั้งนานไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเนะไม่เห็นแด้ดีขึ้นเลยแล้วเราตั้งใจปฏิบัติเพื่อทไมตรงนี้มันก็เกิดทอยในชะ่ไหมแต่ถ้าเรามั่นใจในการกระทำํำของเราเองเขาอาจจะทํามาผิดเขาทําไม่ถูกเขาจึงเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราทําให้มันถูกเนี่ยอาจจะต้องไม่ใช้เวลานานขนาดนั้นอ่านี่ยพระองค์ุลิมานแค่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าไม่กี่ชั่วโมงใช่ไหมก็เปลี่ยนจากภาวะเป็น ฆาตากรมาเป็นพระหันต์อะไเงี้ยอืม เ, เป็นไปได้ไงพราอยู่ที่การกระทำไม่ได้อยู่ที่ว่าทํามากทําน้อยทาําช้าทําเร็วทํามานานึกทามาช้าอยู่ที่การอยู่ที่การกระทำของเราว่าทาถูกหรือไม่ถูกใช่ไหมเพอทําถูกมันพริกทันทีเลยเอามาเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งใช่ไหมว่าอามาเคยได้ยินโบราณบอกว่าเอ๊ะเอาไม้ไผ่มาสีกันเป็นไฟนะก็ฟังมาอย่างนั้นนะใช่ไหมอ้าว เราพิสูจน์ดูว่าจริงหรือเปล่าวันหนึ่งเอามาก็อามิดไปหาไม้ไผ่มาสองชิ้นมานั่งสีกันมาถูกันถูกันทั้งวันปรากฏรถไฟไม่เกิดเลยล <c oughs> ก็ <c oughs> กกตัดสินใจก็ตัดสินใจลงไปว่าไม่จริงอ่ะโบราณพูดหลอกเด็กเฉยๆทีทนี่วันหนึ่งก็นำเรื่องนี้ไปเล่าให้หลวงพอ่อองค์นหนึ่งฟังห <c oughs> ลวงพอ่อหลวงพ่อบุญธรรมนะผมไม่เชื่อหรอกเว่าโบราณเอาไม้ไผ่มาสีกันเป็นไฟ เออผไม่เชื่ อ, องไงผมก็เคยทาเอาทอํายังไงอ่ะท่านก็ทําให้ดูเลยนะอ่าท่านก็จับเอาไม้ไผ่ชิ้นหนึ่งฮะไม่ไม่แห้งดีเอาไม่แห้งไม่สุนไม่เกิดแน่นอนนะ่ะท่านก็เอาไม้ไผ่ชิ้นหนึ่งมามาถากแต่งเหมือนกับมีดเลยนะมันจะมีดแล้วก็มาปักเงี้ยไม้ขนาบหัวขนาดท้ายทํานี่เป็นคมเลยน ะ, ะเราเนี่เป็นคมมีดเลยแล้วอีกชิ้นหนึ่งมาก็เลยมาครอบตรงนี้ปับ๊บ ทำเป็นบาดตรงนี้นะมาครอบตรงตรงคมอะแล้วก็ถูไปถูมาและไอชิ้นที่ผ่าเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นท่องร่องไม่ไผ่ใช่ไหมตรงนี้เป็นสันมาไอท่องร่องเนี่ยเขาจะเจาะตรงนี้ให้ทะลุท้องร่องเลยไอท่องร่องนี่เขาจะมีขูดเอาผิวมันมาเปะไว้ตรงนั้ น, น, นแปะไว้ตรงนั้นเอานุ่นเอาไฟมาแปะไว้ตรงนั้นพอสีไปมันร้อนจัดแต่ไฟมันขึ้นยประกายไฟมันขึ้นเลยนะพอ ป, ประกายไฟขึ้นมันก็ไม่ติดใส่ฝอย ไอตรงฝอยนุ<อ>่นตรงนั้นก<อ> <ขอ S 1> ็เธอภัทรเขาว่านี่ไงขึ้นแล้วไง <c oughs> <c oughs> อนี่ก็ท่านทําดูบ้างเอามาก็ทำอ๋ อ, อ ก, ก็เกิดเหมือนกันนั้นหมายความว่าไงสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยเราจะต้องมีใครที่มาพิสูจน์ให้เราเห็นด้วยว่ามันเป็นนะท่านใช้คําว่าการยาณมิตรก็คือครูบาอาจารย์ที่ทํามาก่อนเราถ้ามาไม่พบหลวงพ่อ บุญธรรมนะอามาก็ยังเชื่อว่าเอาไม่ไผ่มาสีไฟไม่ติดเหมือนกันนะถ้าอมมาไม่พบหลวงพ่อเทียนอมมาก็เชื่อว่าเรื่องการตรัสรู้เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ใช่เรื่องของเรามีกีเลสหนะปัญญาหาบเราทําไม่ได้หรอกเราก็จะเชื่ออย่างนั้นอยู่ใช่ไหมอย่างพอมาพบกระไรมิตรอย่างพบมาพบหลวงพ่อเทียนเนี่ยก็ท่านบอกให้ทำมันก็ทําตามทําตามออกมาก็เห็นชัดก็เชื่อมันอ่นอมมาก็มาบอกต่ออีกต่ออีกยมก็ทําตามอีกก็ได้เห็นชัดก็เชื่อมัน่น กว่การยานมิตรเพราะฉะนั้นตัวการปฏิบัติเนี่ยจะสําเร็จผลได้หลัก3ประการ1มีการยานมิตคือผู้ที่รู้มาก่อนมาบอก 2. มีกริยานะสหายคือมีหมู่มีพวกช่วยกันมาปฏิบัติคนเดียวมันอาจจะรู้สึกอะไรไม่มั่นใจนะมีกริยานะสหายมาหมู่พวกเดียวกันเนี่ยสมีสิ่งแวดล้อมช่วยกริยานสัมปวังกตามีที่สงัดมีที่วิเวกมี ถ้าอยากจะทําในบ้านในเรียนเนี่ยเกิดไหมก็เกิดเหมือนกันไม่แน่มันเกิดช้าเกิดเร็วนะฮะเหมือนท่านบอกว่าเหมือนกับเอามาชุ่มมาสีไฟถามว่าเกิดไฟไหมก็เกิดได้อาจจะหูควรจะเกิดก็ดคง จ, จะเงือแตกหลไหลายตัง้งเหมือนกันนะ้องนั่นแต่ถ้ามาอย่างนี้ท่านบอกว่าเหมือนเอาไม้แห้งมาสีไฟไมา้ตักแห้งแล้วหมายความว่าอยู่ใกล้ใกล้บ้านเนี่ยจิตใจอารมณ์ของเรามันชุ่มโชคด้วยความคิดชุ่มโชคด้วยความวิตกกังวลชุ่มโชคด้วยสิ่งแวดล้อมที่ กระทบกระแทกทําให้จิตของเราไม่ไม่เที่ยงไม่มั่นคงพอออกมาเนี่เราทิ้งภาระจิตต่างๆออกมาก็ทําให้เราไม่ต้องวิตกกังวลมันก็ม้แห้งนํามาสีไฟก็ติดไวอ้อันนี้เขาเรียกว่าสัมปวังกาตาคือสิ่งแวดล้อมอาหารดีอากาศดีสมบูวิเวกดีธรรมะที่ปฏิบัติก็สัมผัสได <c oughs> ้เขาเรียกว่าเราเกิดตัวสัมปวังกาตาหลักสาประการกรัลยาณมิตรกรัลยาณสหายกัลยาณสัมปวังกาตามาเป็นหลักช่วยอีกทีหนึ่งนะหลักหประการมันถึงจะเวริร์ก เมื่อมันได้เบื้องต้นแล้วเบื้องต้นนี้ก็ไม่ใช่หมายความว่าถ้าเรามีสติปัญญาตามลําดับปานกลางนะไม่ได้พลิกผันอย่างองคุลิมานก็ดีท่านพ ญ, ญายะที่บรรลุทําไวเพราะอะไรเพราะท่านมีเชื้อเพลิงมาสูงไงหมายควาว่ามีสังสมประสบการณ์มาสูงมากพอปฏะจิตปับ๊บปัระเบิดบุ่มเลยไม่ใช่อหมสังสมเชื้อเพลิงมาของเรานี่ต้องไปตามลําดับไม่ได้มีเชื้อเพิง ถ้าให้สร้างเอาอขนาดนั้นเลยอันนี้ก็พูดให้กำลังใจนะ <c oughs> พูดให้กำลังใจจริ ง, รงๆแล้วก็คือการทำํำมันถูกต้องมันก็เป็นบุญที่บุญที่แรงอยู่แล้วงั่นแหละแต่ถ้าหากว่าเรามีบรรพบุรุษของเราที่เคยปฏิบัติสนใจมาก่อนมันก็เป็นบุญเก่าเสริมนะคนไหนที่ไม่มีบรรพบุรุษสนใจเรื่องนี้มาเลยก็ามาสร้างบุญใหม่มันก็อาจจะช้าหน่อยก็เหมือนเศรษฐีอะถ้าเป็นลูกเศรษฐีมันก็รวยไวาใช่ไหม แต่ถ้าเรามาสร้างไป็นสิทธิเองบางทีแก่แล้วยังไม่ก็ได้เป็นในสิทธนะิสร้างบุญไหว้ของตัวเองมันก็ช้าหน่อยนะสิทธิมุ่งเปล่าสิทธิมุ่ปล่ า, ลาก็เป็นได้เหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่เป็นไม่ได้ไม่ใช่ว่าอาศัยแต่ข้าวช้อนทอมาจากท้งพอ่อทั้งแม่เทา่านเป็นสิทธิไม่ใช่เราก็สามารถที่จะมือเปล่านี่มาสร้างความเพียรสร้างพละร ก, กําลังของเราเองได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้เล่าเรื่องของหลักการเจริญสติแบบหลวงพ่อเทียน ซึ่งคิดว่าถ้าเราไปทําอย่างถูกต้องและเข้าใจเนี่ยคงไม่ยากนะใช่ไหมโยมแค่สามวันนี่มากแล้ว น, นั่นเอง <laughs> ตรงพยายามานะถ้าเข้าใจแล้วก็จับไปเลยตั้งแต่นี้ไปจับอาการการเคลื่อนไหวจับอย่างสนุกสนานนะอย่าไปจับอย่างเพ่งจ้องเอ า, าจริงเอาจังนล้วไม่หังเครียดแ น, นเ่เรนะ็วกันปวดหัวแนะ่จับโอ้สนุกในการเคลื่อนไหวสนุกในการกําหนดรูเอ อ, อย่างงั้นไหว ทำด้วยความสนุกสนานอย่าไปทําด้วยความกดเก่งเพ่งจ้องเครียดไม่แยะอันนั้นจะผิดมันจะเป็นอุปทานอย่าทำด้วยความเข้าใจด้วยความสนุกเห็นประโยชน์เห็นประโยชน์ในการกระทํำเมื่อก่อนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่รู้สึกไม่ได้กําหนดเลยใช่ไหมหายใจกุมเงยไม่ค่อยกําหนดเดี๋ยวนี้ฝึกกาหนดขึ้นมานะตอนฝึกกําหนดขึ้นมาก็กลายเป็นเรื่องง่ายทันทีเลยถ้าทําด้วยความสนุกสนานมันกลายเป็นเรื่องง่ายทันทีเลยแต่ทาด้วยความอยากมันกลายเป็นเรื่องยากทันทีเลย นั่นจะทำด้วยความอยากทําด้วยความสนุกก้าวไปด้วยความสนุกก้าวศึกษาไปความทุกข์ที่ปรากฏในกายก็ไม่ใช่เป็นเรื่องอุปสรรคแล้วทีนี้มันก็จะกลายเป็นอุปกรณ์ให้เป็นตัวเข้าไปถึงธรรมะได้เร็วขึ้นนะความเจ็บความปวดกว่อเมืม่อก่อนเราเวลาเจ็บปวดอะไรขึ้นมาเราก็กลัวใช่ไหมกลัวมันจะเป็นมากโอ้เดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วโอ้เจ็บปวดก็ดีฉันจะนดูดูดแก เออมันจะตายก็ดีฉันจะได้ตายยางสงบกันนั่ น, น, น, อ น, นเออ่าด<อ>ูกำลังอ่าดูอุปสรรคคือความสําเร็จนั่นนะ เ, ออเห็นไหมดังนั้นเราจะเห็นว่ามันอยู่ที่การทําใจให้ถูกท่านใช้คำว่าสมาธิฐิการทําใจให้ถูกเนี่ยถ้าเรามีการทําใจเรื่องนี้ไม่ถูกเรามิจฉาทิฏฐิ ก, ก็ยากขึ้นอีกแต่ทําใจให้ถูกก็เป็นสมาธิฐิก็ง่ายขึ้นผู้ทีเจ้าถึงแต่คําเดียวว่าสมาธิฐิสมาธานาสภาวทุกข์อาวุธจักุูผู้ใดมีความเห็นความเข้าใจถูกต้องแล้ว จะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้สะพทุกข์เขปัจะคุงจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้นั่นแค่ในมังแปดนั้นท่านพูดอย่างนี้เด็ดขาดในในตัวสมาธิทิฏเตียวเดียวนะนั่นแสนดงว่าอีกเจ็ตัวนี่มันบรรมตัวนี้หมดเลยแค่สมาธิทิทําให้ถูกนะมื่เราก็เรียกว่ามีความทําใจได้ถูกแล้วมันก็จะไวขึ้นนะเพราะฉะนั้นช่วงเย็นวันนี้คิดว่าน่าจะพอสมควรเก็เวลาก็ขออนุมโมทนานะสาธุในความตั้งใจ ในการยะนำใบพืชปฏิบัติไปทำตามให้ได้สัมผัสความรู้ความตื่นความเบิกบานด้วยการทุกคนดฏิบัติ